ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ยี่สิบเก้ามาคุยกันต่อบ้างเรื่องเก่าที่คุยไว้แล้วก็คือเรื่องธรรมวินยัยความจริงก็น่าจะจบแล้วแต่ว่าก็มีแง่มีมุมบางอย่างแยกกันไปได้เรื่อยๆนี่เรื่องวินัยนี่ ก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของการจัดระเบียบแบบแผนระบบในชีวิตสังคมมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์จัดทาขึ้นมาและก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกี่ยวกับสังคมในการจะเน้นในแง่การอยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์หรือว่าการที่มนุษย์จัดตั้งขึ้นมาด้ยเจตนาของตนเองเพื่อให้เกิดผล ในการดำเนินชีวิตของตนเองให้มันดีขึ้นเป็นการฝึกเราก็พูดกันง่ายๆเป็นการจัดตั้งวางระบบอันนี้วินัยก็เป็นเรื่องของสมมติไปคือไม่หมายความไม่มีไม่มีโดยธรรมชาติเรามาตกลงกันหรือแม้แต่ตกลงกับตัวเองจัดตั้งวางขึ้นมา เราสามารถจัดวางระเบียบในการดาเนินชีวิตของตัวเราเองก็ได้อย่างว่าเราจะแบ่งเวลาในแต่ละวันในการดาเนินชีวิตหรือในการทำงานอย่างไรว่าวันหนึ่งจะตื่นเมื่อไรจะออกจากบ้านไปทำงานเมื่อไรจะเริ่มงานบางอย่างต้องวินยัยถ้าเป็นของส่วนรวมก็ต้องตามเขาอย่างว่าทำงานรัฐบาลเขาก็มีกาหนด มาก็เป็นวินัยของส่วนรวมอันนั้นต้องรวมกันแต่ว่าถ้าเป็นงานเอกนชนส่วนตัวเราอาจจะวางวินัยของเราเองว่าเราจะเริ่มงานวันนั้นวันนี้แต่ว่าทางนี้มาเราอยู่ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเราจะวางมันก็อาจจะต้องไปสอดคล้องกับผู้อื่นอีกสมมติว่าเราจะทางานส่วนตัวของเราแต่งานของเรามันก็ต้องสัมพันธ์กับกิจการของผู้อื่น ถ้าเราไปทาในเวลาที่เขาไม่ทําไปติดต่อเขาก็ยุ่งใช่ไหเพราะนั้นมันก็ต้องําหนึ่งถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นว่าทําไงจะให้สาเร็จผลที่ต้องการก็อยู่ที่เราต้องมีปัญญาจัดทํายังไงจะให้ได้ผลหรือว่าอย่างเรื่องการเงินการทองจะจัดยังไงให้เกิดเป็นระเบียบในการใช้เงินขึ้นเราจะเป็นผลดี จะใช้อะไรแค่ไหนจะใช้เพื่อด้านไหนเท่าไรจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะแนะนำไว้ว่าเช่นว่าให้แบ่งทรัพย์เป็นสี่ส่วนนะใช้เพื่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ทำสิ่งที่ดีงามบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยรวมรวมอยู่ในหนึ่งส่วนแรกแล้วก็อีกสองส่วนนี่ลงทุนทำการงานแล้วก็ส่วนที่สี่อีกส่วนหนึ่งก็ใช้ เก็บไว้ใช้สําหรับยามจําเป็นเช่นเป็นหลักประกันชีวิตเช่นในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ที่เราอาจจะคับขันฉุกเฉินจําเป็นจะต้องใช้เงินหรือมีความขัดข้องในการเงินที่ว่าไม่อาจจะได้มาเพราะว่าเกิดสงครามหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ประมาทหรือแม้แต่ว่าในส่วนของ เงินที่จะใช้ลงทุนกรรมการงานสองส่วนนั้นจะแยกละเอียดอย่างไรเงินในส่วนของการใช้จ่ายเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวบำเพ็ญประโยชน์จะแบ่งจะจัดละเอียดอย่างไรบ้างเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องมาคิดพิจรารณาเนี่ยหาประสบการณ์หาความรู้ผู้อื่นมาแล้วก็มาจัดวางเป็นระเบียบขึ้นมาดัะนั้นเรื่อง ระเบียบระบบแบบแผนในมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดจากเจตนาของเราจัดทําขึ้นมาแล้วจะได้ผลยังไงต้องขึ้นต่อสติปัญญานี่ยทีนี้นี่เป็นเรื่องของวินัยในแง่ของมนุษย์นีแต่ว่าจัดทําขึ้นก็เคยบอกแล้วว่าต้องอาศัยความรู้ในตัวความจริง เช่นในความเป็นเหตุเป็นผลกันของสิ่งทั้งหลายว่าจะจัดอย่างไรผลจึงจะเกิดขึ้นตามต้องการถ้าไม่รู้เรื่องเหตุปจัจจัยไม่รู้ผลมันก็จัดไม่ได้อีกลเนี่ยแล้วลจัดเพื่ออะไรก็จัดเพื่อจะให้ผลดีมาเกิดขึ้นตามกฎธรรมชาติคือตามธรรมเพราะนั้นจึงบอกว่าธรรมเป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายของวินยัยนยอันนี้ก็อธิบายกันไปมากแล้วน้นวินัยใน มนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์จัดตั้งวางขึ้นแต่เราจะเห็นว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าในธรรมชาติเองก็มีวินัยอยู่ความเป็นระเบียบในสิ่งทั้งหลายนี่มีอยู่ทั่วไปหมดแม้แต่ในดอกไม้ใช่ไเราลองดูสิดอกไม้นี่ มันจะมีกรีบเป็นระเบียบออกไปใช่ไหมเราถ้าลองกรีบมันขัดกันไอ้กรีบหนึ่งออกมานี่กรีบหนึ่งขวางมันนี่จะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดความขัดข้องในตัวมันเองใช่ไหมเพราะก่อนที่มันจะบานมันก็ต้องตูมอยู่แล้วมันก็บานออกไปไอ้ความที่เป็นระเบียบในธรรมชาติมันก็เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมันนั่นแหละความเป็นเหตุปัจจัยในสิ่งทั้งหลาย สัมพันธ์กันจงกระทั่งมันออกรูปเป็นอย่างนั้นมันจึงจะเกิดผลดีขึ้นมามันจึงจะเป็นไปได้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นไม่สัมพันธ์กันอย่างนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เกิดความขัดข้องใช่หมหรืออย่างชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็จะมีชีวิตที่เป็นระเบียบว่านะจะออกหากินเมื่อไรอย่างไรนะี แม้จะบินไปเป็นฝูงนะอย่างนกนี่เวลาบินไปก็จะเห็นว่ามันก็มีความเป็นระเบียบถ้ามันไม่มีความเป็นระเบียบมันไม่สามารถคุมฝูงอยู่ได้มันก็เกิดโทษกับตัวมันเองเกิดภัยอันตรายแก่พวกมันนั่นเลยใช่ไหมดังนั้นคล้ายๆว่าความจําเป็นในความเป็นอยู่ในธรรมชาติซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและเหตุปัจจัยทั้งหลายในเองทําให้เกิดความเป็นระเบียบขึ้นมา ก็เหมือนกับว่าในธรรมชาตินี่ก็มีวินัยแล้วแล้วความเป็นระเบียบความมีวินัยนี่แหละที่ทําให้สิ่งทั้งหลายดําเนินไปได้ดีดีนดี่เพราะฉะนั้นอย่างนักวิทยาศาสตร์เช่นอย่างไอน์สไตน์นี่เขาก็บอกเพราะมีความเชื่อในความเป็นไปอย่างมีระเบียบของธรรมชาติเขาจึงเกิดมีกําลังใจที่จะค้นคว้าหาความจริงนั้น ก็คือมีความเชื่อนั่นเองเชื่อว่าในธรรมชาติเนี่ยมีความเป็นระเบียบมีกฎมีเกณฑ์ด้วยศรัทธาความเชื่อนี้ก็ทำให้เขาค้นหาว่าความจริงที่เรียกว่ากฎธรรมชาตินี้เป็นอย่างไรนี่อาทีนี้ในธรรมชาติมีกฎเกณฑ์แต่กฎเกณฑ์ในธรรมชาตินั้นด้วยความเป็นระเบียบนั้นมันเป็นไปโดยตามระบบเหตุปัจจัยของมันนะเป็นของธรรมชาติ แต่ในหมู่มนุษย์อย่างที่ว่ามนุษย์นี่มีเจตจำนงนะแต่ส่วนสัตว์ทั้งหลายนั้นชีวิตมันเป็นไปตามความบังคับของสัญชาตญาณมันก็อาศัยสัญชาตญาณ น, นั่นแหละเรียนรู้แลมันก็เรียนที่จะมารู้ที่จะปฏิบัติไปตามระเบียบแบบแผนนั้นก็ทําให้ชีวิตมันดําเนินไปไ ด, ด้ดีภายในขอบเขตของมันทีนี้มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษที่ว่ามีเจตจำนงเป็นอิสระ มากจากสัญชาตญาณสามารถควบคุมสัญชาตญาณได้สามารถที่จะทำอะไรที่เหนือสัญชาตญาณที่สัญชาตญาณไม่ได้บอกให้ทำอันนี้ก็อยู่ที่ว่ามนุษย์จะใช้ความสามารถนี้อย่างไรถ้ามนุษย์ใช้เป็นเนี่ยก็มาจัดระเบียบแบบแผนระบบการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันความสัมพันธ์ในสังคมตลอดจนจัดสรร สิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เอื้อโอกาสแต่การดาเนินชีวิตของตนเองก็คือการที่ใช้วินัยนั่นเองคือว่าก็เอาหลักที่เรียกว่าวินัยมาจัดการกับสิ่งทั้งหลายนี้ถ้ามนุษย์มีเจตจํานงมีปัญญาอย่างนี้เพราะความเป็นอิสระของตนจากสัญชาตญาณแล้วเป็นอยู่ดั่งปล่อยเรื่อยเปื่อยมีความประมาทไม่จัด ให้มีระเบียบขึ้นมาชีวิตของตนเองก็จะแย่ยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นใช่ไหมเนี่ก็อยู่ที่ว่ามีความสามารถแล้วมีความเป็นอิสระจางสัจจญาณเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์พิเศษที่ว่ามันขึ้นต่อเจตจำนงแล้วก็การฝึกฝนพัฒนาตนถ้าไม่ยอมฝึกตนไม่ยอมพัฒนาม่ยอมจัดระเบียบแบบแผนเป็นต้นเนี่ยไม่ใช้ปัญญามาจัดการเนี่ยชีวิตของตัวเองก็จะยิ่งแย่ ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นและสังคมก็จะเกิดปัญหาเกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายนี่ก็อยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่จะต้องคล้ายๆว่าฝืนต่อสัญชาตญาณเพราะว่ามันมีความโน้มเองที่จะปล่อยเพราะว่าการที่จะจัดตั้งวางระบบมันไม่เหมือนในพวกสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นไปตามสัญชาตญาณพวกนั้นมันเป็นไปโดยเหมือนกับบังคับมา แต่มนุษย์นี่เป็นอิสระอันนี้ถ้าไม่บังคับควบคุมตนเองก็ปล่อยเมื่อปล่อยก็เกิดความเสื่อมเสียหายกับชีวิตและสังคมเพราะนั้นมนุษย์ก็จะต้องเนี่ยทำไงจะทำไงจะใช้ธรรมชาติอันประเสริฐก็คือความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เนี่ยเอามาให้เป็นประโยชน์กับตนอย่างแท้จริงนี่ถ้าขืนปล่อย ไปตามความประมาทปล่อยตัวนะชีวิตสังคมไม่สามารถเจริญงอกงามได้ดังนั้นวินัยกันนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ามนุษย์นี้จะใช้ความประเสริฐของตนเองให้เป็นประโยชน์ได้หรือไมนะ่ถ้าใช้ก็คือว่าจัดตั้งวางระเบียบ ร, ระบบแบบแผนในการดําเนินชีวิตและในการอยู่ร่วมกันในสังคมของตนให้ดีขึ้น อนนี้ในการที่มนุษย์จะพัฒนาจะทําการอะไร ต, ต่างๆเราจะเห็นว่าจะต้องมีเรื่องของวินัยจัดระเบียบแบบแผนมาทั้งนั้นเมื่อเราจะผลิตสิ่งของสิ่งหนึ่งขึ้นมานี่คือมนุษย์เริ่มที่จะทํางานให้เกิดผลขึ้นมาต้องมีวินัยทันทีต้องมีระเบียบแบบแผนระบบการดําเนินการว่าจะทําอย่างไรจรึงจะสําเร็จผลใช่ไหม แล้วมนุษย์ที่มีความเพียรในการจัดตั้งวางระเบียบ ร, ระบบเหล่านี้จะประสบความสำเร็จเขาจะพยายามพัฒนาระบบแบบแผนในการที่จะจัดดาเนินการเขานี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไม่ประมาทไม่ปล่อยตัวอันนี้ก็เมื่อพัฒนาพยายามจัดให้มันดียิ่งขึ้นมันก็สำเร็จผลดีมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นต้นอย่าว่าแต่ในการผลิตเลยแม้แต่ในการ ใช้สำหรับผู้บริโภคก็ยังต้องมีวินัยใช่ว่าผลิตสิ่งของมาเทคโนโลยีเนี่ยเราจะเห็นว่ายิ่งเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมานี่จะมีความละเอียดซับซอ้อนจะออกมีอินสต๊อกชันคำแนะนำหรือคำชี้แจงการใช้หรือข้อกำหนดในการใช้อะไรเลยใช่ไหมอ่านะจะใช้ได้ต้องหนึ่งสองสามสี่บอกว่าท่านจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์นี้หรือเครื่องใช้อันนี้แม้แต่ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าน่ยหรือว่ากระติกต้มน้ําน่ยหรือว่าเครื่องบันทึกเสียงต้องมีคําชี้แจงข้อกําหนดการใช้เท่านั้นหนึ่งสองสามบอกว่าก่อนจะใช้ให้ท่านอ่านซะก่อนทีนี้ถ้าใช้และศึกษาน่ยและเข้าใจดีก็จะใช้ได้ประโยชน์เต็มที่สามารถเอาประโยชน์จากมันได้เต็มที่และใช้ไม่ผิดพลาดถ้าหากว่า ไม่อ่านใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่แล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดอาจจะเป็นอันตรายด้วยใช่ไหมอย่างเครื่องไฟฟ้าบางชนิดเพราะนั้นสังคมที่พัฒนานี่จะเห็นว่าเรื่องวินัยนี่สำคัญมากซึ่งจะออกมาในแง่ของไม่เฉพาะกฎหมายอะไรแต่อะไรที่บังคับแต่มันออกมาสู่ทุกอย่างที่ดำเนินการในกระบวนการแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจการเนี่ยการผลิตการบริโภค ก็เลยเป็นนิสัยเพราะฝรั่งนี่จะพัฒนามาและฝึกมาในเรื่องนี้มาเขาจะมีนิสัยในการที่ว่าเมื่อซื้อถึงสิ่งของเครื่องใช้มาเนี่ยเขาจะพยายามหาประโยชน์ให้เต็มที่จากมันและใช้ให้ปลอดภัยความคำลังดึงที่ความปลอดภัยจะสูงมากแลเขาจะอ่านคําแนะนําข้อกําหนดในการใช้ละเอียดต่างจากคนไทยคนไทยนี่ซื้อของใช้มานี่ไม่ค่อยจะอ่านใช่ไหม บางทีก็ใช้มันเลยมัรู้ช้ถ้าใช้ไม่เป็นแล้วค่อยไปอ่านเฉพาะไอ้ข้อที่จะจําเป็นจะต้องอ่านทําไมงั้นแล้วมันไม่รู้จะใช้อย่างไงความจำเป็นบังคับก็เลยไปอ่านอ่านเฉพาะเท่าที่จะใช้ได้ไอ้ส่วนเหนือจากนั้นไม่อ่านอีกนี่ก็เลยได้ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยเป็นข้อเสียแต่ฝรั่งเองก็เกิดจากความจําเป็นเหมือนกันเพราะว่า ระบบวัฒนธรรมฝรั่งทําให้ต้องพึ่งตนมากใช่ไหมฮจะพึ่งกันไม่ค่อได้เพราะนั้นแต่ละคนก็ต้องพยายามเรียนรู้พยายามช่วยตัวเองให้ได้ผลดีที่สุดจากสภาพความเป็นอยู่ น, นี่ก็บังคับให้ตัวเองเนี่ยจะต้องฝึกตัวเองเนี่ยจะต้องพยายามมันก็เกิดเป็นนิสัยเนี่ยแล้วก็มันเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมนี่การที่จะเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสิ่งของนี้ ตัวเองใช้ผิดเองเอา้าวไปเรียกร้องเอาไม่ได้แต่ถ้าใช้ถูกแล้วมาเกิดเสียหายขึ้นมาก็ไปเคลมได้ถูกไหมเพราะฉะ น, นั้นมันเกี่ยวกับ้เรื่องระบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นฝรั่งนี่สภาพชีวิตความเป็นอยู่นี่ค่อนข้างบังคับทําให้เขาเกิดความจำเป็นในการที่ฝึกตัวเองนะฝึกโดยโดยจำใจโดยเป็นไปเองจากไอ้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ทําให้เขาฝึกนิสัย คือว่าการที่จะปฏิบัติตามวินัยนี้ต้องมีความอดทนถูกไหมครัจะอ่านข้อกําหนดให้ครบนี่แล้วจะใช้ให้ได้ตามนั้นมันต้องอดทนตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่ตามใจตัวเองจะใช้ทันทีมันอยากจะใช้ก็ต้องทนอยู่ก่อนยังไม่ใช้มานั่งอ่านศึกษาคําที่แจงเนี่ยอันนี้ในแง่นี้เราจะเห็นว่าวินัยในสังคมตะวันตกนี่ เขาพัฒนามาพอสมควรแต่อาจจะเกิดจากสภาพชีวิต บ, บังคับความจำเป็นของเราก็ไม่ค่อยได้ฝึกฝนพัฒนามาเพราะนั้นของเราก็จะปล่อยตัวในเรื่องนี้มีความประมาทนี้ถ้าหากว่าไม่ระวังก็จะกลายเป็นมักง่ายใช่ไหมผู้ขาดวินัยก็จะมักง่ายนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเพียรพยายามเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็พยายามฝึกตนบังคับตนเอง ก็บังคับโดยความรู้สึกว่าเราจะฝึกตัวเองมองเห็นจุดมุ่งหมายมองเห็นประโยชน์ในการกระทาอันรรอ น, นี้วินัยนี่มันจะมันเป็นส่วนพฤติกรรมเป็นสำคัญก็โยมมหาธรรมะอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าวินัยเป็นเรื่องของการจัดตั้งวางระบบในเรื่องสมมติ ทีนี้ก็มาสัมพันธ์กับธรรมะเพราะว่าเราต้องการให้เกิดผลตามธรรมะนี่ธรรมะก็อยู่ที่ตัวชีวิตของเรานี่เป็นต้นนะพอวินัยนี่มาจัดระบบแบบแผนมันก็ออกมาที่พฤติกรรมก็หมายความว่าเหมือนกับมาควบคุมพฤติกรรมของเราเพราะฉะนั้นวินัยจะมาสัมพันธ์กับเราที่ด้านพฤติกรรมเป็นใหญ่เพราะนั้นวินัยจึงมาสัมพัสกับศีล น, นะ จนกระทั่งเรามาสับสนคําว่าวินัยกับศีลไปเลยเอาวินัยเป็นศีลที่จริงวินัยเป็นการจัดวางระเบียบแบบแผนเพื่อให้เราได้ฝึกพฤติกรรมของเราการฝึกพฤติกรรมของเราก็เป็นศีลเนนะีเราฝึกพฤติกรรมของเราได้อะไรก็ได้อาศัยวินยัยใช่มนั้นวินัยกับศีลนี่แยกกันได้แต่ว่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนกันสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เราก็อาศัยวินัยนั่นแหละมาฝึกพฤติกรรมของเราก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาพฤติกรรมที่ดีก็เป็นศีลแต่นี้ในการที่เราจะฝึกพฤติกรรมเนี่ยมันโยงไปหาจิตใจและปัญญาด้วยมันไม่ได้อยู่แค่พฤติกรรมอย่างเดียวแต่จุดสําคัญมันอยู่ที่พฤติกรรมคือศีลเพราะฉะนั้นจุดเน้นก็คือว่าเมื่อฝึกตัวเองในวินัยก็ได้ศีลมีพฤติกรรมที่ดีแต่ว่าพร้อมกันนั้น ทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาก็จะมีการพัฒนาด้วยเ <Yeah. S 1> ช่นว่าเมื่อกี้เนี้ยอย่างว่าจะปฏิบัติตามวินัยในการที่จะใช้วัตถุอุปกรณ์อย่างหนึ่งฝึก <Yeah. S 1> พฤติกรรมคือพฤติกรรมในการใช้ <Yeah. S 2> จะใช้เทปใช้เครื่องต้มน้าหรือใช้อะไรก็ตามนั่นเป็นพฤติกรรมทางนั้น <Yeah. S 2> ใช่ั้ย พฤติกรรมจะถูกฝึกแล้วจากการที่ว่าวินัยข้อกําหนดก็จะต้องถับตามลําดับอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็คือพฤติกรรมของเราที่ถูกกาหนดนี่คือด้านศีลคือพฤติกรรมแต่ว่าเราจะต้องอดทนในการฝึกเราต้องอ่านคําชี้แจงเป็นต้นใช่ไหมเราต้องฝึกจิตด้วยเราก็มีความอดทนมีความเพียร มีความเพียรพยายามในการอ่านและใช้ให้ถูกต้องก็จะพัฒนาพฤติกรรมได้ก็จิตก็ต้องมีความเพียรพยายามมีความอดทนด้วยมีความตั้งใจใช่ไหมก็ฝึกจิตไปได้ในตัวแล้ะพร้อมกันนั้นเราก็ได้เรียนรู้ด้วยเวลาที่เราอ่านคําแนะนําข้ อ, อ ก, กําหนดการใช้แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะปัญญาก็พัฒนาดังนั้นอาศัยวิถีไหนเนี่ยมันไม่ได้ฝึกเฉพาะพฤติกรรมอย่างเดียวมันฝึกจิตใจและฝึกปัญญาไปด้วยนะนี่ เวลาเราปฏิบัติตามวินัยข้อกําหนดอะไรต่งตางๆนี่เราจะเคยชินเราจะบังคับจิตใจของเราได้นั้นเวลาไปอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่อาจจะทําได้ตามชอบใจเนี่ยคนนั้นจะมีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งอดทนได้ดีทีนี้คนที่ไม่เคยฝึกวินัยเลยเคยจะทําอะไรตามใจตัวต า, ตามใจอยากใช่ไหมทีนี้พอเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไม่สามารถจะทําตามใจตัวพวกนี้ พรุ่งพลาน์กบล์กวายทุรนทุรายมีความทุกข์มากนะดังนั้นประโยชน์ของการฝึกในเรื่องวินัยเนี่ยมีมากมายหลายประการก็มาช่วยแม้แต่เรื่องจิตใจและปัญญาอย่างที่ว่าแต่อย่างไรก็ตามจุดสัมพันธ์ที่แท้มันก็อยู่ที่พฤติกรรมนะดังนั้นวินัยก็เป็นตัวต่อจาก ภายนอกเข้ามาสู่ตัวชีวิตของมนุษย์นะที่พฤติกรรมมนุษย์และปรากฏที่พฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมนั้นอยู่ในวินัยหรือไม่แต่ว่าในกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมนั่นเองเราก็จะได้ฝึกจิตใจและฝึกปัญญาไปด้วยอันนี้ก็คือเข้ามาสู่ตัวธรรมะพอเข้ามาเป็นพฤติกรรมของเราเป็นศีลก็เป็นด้านธรรมะแหละนะ แล้วก็ข้ามาด้านจิตใจปัญญานี่คือด้านชีวิตของเราเป็นศีลสมาธิปัญญาที่เคยพูดไปแล้วว่ามนุษย์มีชีวิตที่ดำเนินไปพร้อมกันสามด้านได้แก่พฤติกรรมจิตใจและปัญญาการฝึกในด้านพฤติกรรมเรียกว่าศีลคือกายวาจาฝึกกายวาจานะแล้วก็ด้านจิตใจอาศัยสมาธิเป็นแกนในการฝึกแล้วก็ด้าน ปัญญาก็ฝึกความรู้ความเข้าใจนะการรู้จักคิดพิจนารณาสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นนวโยงเรื่องวินัยที่เป็นระเบียบแบบแผนซึ่งมนุษย์จัดตั้งวางขึ้นมานะเข้าสู่เรื่องของธรรมะที่อยู่ที่ตัวมนุษย์ก็คือพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเป็นศีลสมาธิปัญญานั้นระบบการฝึกตอนนี้ต้องแยกได้วินัยเป็นเรื่องของสมมติส่วนศีลสมาธิปัญญานี่เป็นเรื่องของธรรมะ เป็นเรื่องของความจริงตามกฎธรรมชาติเมื่อมนุษย์รู้จักจัดตั้งวางระบบแบบแผนมันก็กลับมาเอื้อต่อชีวิตของตอนเองมาพัฒนาชีวิตของตอนเองให้ดีงามขึ้นก็นี่แหละเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่สามารถจัดตั้งวางระเบียบแบบแผนระบบความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์จัดสรรสิ่งแวดล้อมที่เรียกวิว่งหน่ยนั้นวิ่นัยเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่ไม่มีในสัตว์อื่นสัตว์อื่นได้อาศัยแต่เป็นไปตามสัญชาตญาณ มนุษย์ก็สามารถใช้เจตจำนงของตนจัดวางและก็อาศัยปัญญาแต่ถ้าขาดเจตจำนงที่จะจัดตั้งวางระบบและไม่มีปัญญาก็เป็นอันว่าคือความเสื่อมและความพินาศของมนุษย์เองนะฮะถ้าจากวินัยนี้ก็จะพัฒนาเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมทั้งหมดเป็นระบบสังคมมนุษย์อย่างที่เราเห็น แต่ว่าอย่างที่ว่าแหละสนองเจตนาอะไรถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็เกิดปัญหาใช่ว่ามนุษย์จัดตั้งวางระบบจัดกองทัพขึ้นก็เป็นวินัยใช่ไหมแต่ว่าจัดกองทัพนี่เพื่อไปห้ามหันกันมันไม่ได้จัดเพื่อวัตถุประสงค์ในทางเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามอะไรแต่ว่าเพื่อปกป้องตัวเอง คล้ายๆเป็นความจำเป็นในการดําเนินชีวิตยอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่สามารถนํามนุษย์ไปสู่ความสุขสันติอาที่แท้จริงได้นี่แล้วก็ปัญญาที่รู้เข้าใจธรรมะอย่างที่ว่านะนั่นก็แม้แต่ในการวางกฎหมายอย่างสภาผู้แทนรัษฎรก็ต้องอาศัยสองอย่างเจตนาเป็นยังไงเนี่ ย, ยมุ่งวางกฎหมายนี้เพื่อผลประโยชน์ของพวกตัวหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ย เรียกว่าปัญญารู้เข้าใจแค่ไห น, นก็การจัดตั้งในหมู่มนุษย์ก็มีหลักการสําคัญเจตจํานงหรือเจตนาแล้วก็ปัญญาที่ว่านี่ก็ก็อยู่ที่สองอันนี้ในเมื่อมนุษย์มีความประเสริฐมีความเป็นอิสระจากสัญชาตญาณแล้วมนุษย์จะพาตัวเองสังคมตัวเองไปสู่ความดีงามได้หรือไม่นี่ก็อยู่ที่จุดเนี้ ก็วันนี้ก็คิดว่าคุยกันสั้นๆก่อนนะฮะ า, างทาปยานการนี้มีวินัยการเนื้อออกขาวรอวทางทีนามูร้อนี่ยโดนแฝกนรคือในการขาดความวิมนัยการในความเป็นมนุษย์ครวามวินัยนี่มันการจัดระเบียบแบบแผนจะวางกฎกติกากันยังไงอันนั้นธรรมะและมีเมตตากรุณาหรือเปล่าอะไรอย่นฮะ นั่นเป็นเรื่องของฝ่ายธรรมะเป็นเรื่องของความจริงของชีวิตเช่นคุณสมบัติของจิตใจเป็นต้นแต่ว่าวินัยนี่เป็นเรื่องของมนุษย์มาตกลงกันจะเอาไงใช่ไหมอ้าววางระเบียบไว้นะถ้าใครทำอย่างนี้ลงโทษประหารชีวิตแขวนคออันนี้ใช่ไหมฮะนี่วินัยแหละก็จะเอาว่าเมื่อใครมาทาตามนี้ละเมิดอันนี้ก็จัดการแขวนคอ ใช่ไหมอย่างว่าสมัยโบราณก็มีว่าใครกรบฏต่อพระเจ้าแผ่นดินประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรใช่ไหมอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้ก็วินัยใช่ไหมวินัยออกเป็นกฎหมายอะไรนี่แต่อย่างว่าวินัยนี้จัดตั้งด้วยเจตจํานงอะไรใช่ไหมเจตนาเพื่ออะไรเจตนาเพื่อรักษาตัวเองใช่ไหมบางทีก็เป็นแค่นั้นรักษาตัวเองรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง นี่เจตจำนงนี่มันจะเป็นไปเพื่อความดีงามมองอะไรกว้างขวางแค่ไหนใช่ไหมมองเพียงเพื่อตัวเองรักษาผลประโยชน์หรือมองเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเพื่อชีวิตที่ดีงามสังคมที่ร่มเย็นใช่เจตนาแต่นี่เจตนานี่จะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ปัญญาอีกมีความรู้เข้าใจความจริงแค่ไหนรู้ความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นเหตุปัจจัยในสิ่งทั้งหลายแค่ไหน ถ้ารู้เข้าใจดีก็หวางได้สําเร็จนี่ถ้ามองในแง่นี้แล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาเป็นสสในสภานี่นะหน้หนึ่งก็ต้องมีเจตนาดีที่ว่าคุณธรรมเนแน่นอนเจตนาถ้ามันมาเพื่อหาผลประโยชน์ก็เสียฐานตั้งแต่ต้แตตนแล้วมันก็ไปไม่รอดแหละแล้วก็ปัญญาเรามีความรู้เข้าใจอะไรแค่ไหนอันนี้ก็น่าหนักใจนั้นเนี่ย สสเข้ามานี่ประกอบด้วยปัญญารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายแค่ไหนที่จะมาวางกฎมาวางระเบียบมาวางวินัยให้แก่สังคมนะถ้ามันไม่รู้เข้าใจปัญญาไม่เพียงพอก็ไม่สามารถจะวางกฎเกณฑ์กติกา ร, ระ บ, บบแบบแผนเนการดําเนินกิจการต่างๆให้ได้ผลดีได้ไม่ได้ดูมองวาเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะออกกฎหมายเนะี่ยที่ที่จะเป็นกฎหมายที่ดีได้เพราะว่า มื่อคนออกนี่ก็ยังมีเปลี่ยนไปด้วยตังหาเปลี่ยนไปด้วยที่ฉีดน้ำมันแล้วนะแล้วก็อคการที่จะรู้ความจริงตามธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วสำหรับมนุษย์และต้องแปลงให้ความรู้ที่เข้าใจถึงธรรมชาติเนี่ยออกมาเป็นสิ่งสมมุติ์ที่จะมาใช้ควบคุมมันเป็นความยากสองชั้นนะฮะได้บอกว่าจริงๆแล้ววินัยจะปรฏทําเข้าในภาพปฏิบัติจะยากยิ่งจะมีความสมตูรณ์ก็นั้นสิถึงว่าเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์แต่นี่ยังไงก็ให้มัน ได้มีเจตนาดีไว้เป็นอันหนึ่งล้วเป็นหลักประกันใช่ไมก็ยังดีใช่<อ>แล้วก็สองปัญญาก็พัฒนาไปเรื่อยๆและอย่างน้อยให้มีเป็นพื้นฐานไว้บ้าง<อ>ทีนี้มันก็อยู่ที่ปัญญาของประชาชนด้วยและเจตนาของประชาชนด้วยประชาชนเรามีความรู้เข้าใจแล้วก็มีเจตนาเพื่ออะไรในการเลือกผูแ้แทนถูกไมอันนี้ถ้าว่าราษฎรนี่มีปัญญาพอสมควรมีเจตนา ดีแท้จริงมุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมขอตนเองใช่ไหมมุ่งเพื่อตัวธรรมะเพื่อความดีงามความถูกต้องก็เลือกสสอที่เขาดีใช่ไหมฮะอ่ามันก็มาช่วยอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ดีขึ้นหรือว่าไม่มีโทษหรือผลเสียหายมากนะักพอจะประกกระพกรสังคมให้มันทรงตัวอยู่ได้ก็ยังดี หรือเก้าเป็นอย่างช้าๆแล้วก็เราก็ถือว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีความสมบูรณ์แต่อาศัย่เขามีเจตนาดีและมีปัญญากันมาบ้างแล้วก็ด้วยเจตนาที่ดีนี่ก็พยายามทําดีที่สุดสุดขีดอย่งปัญญาของตนแล้วใครหลายๆคนเป็นร้อยๆเนี่ยจะได้เอาปัญญานี้เอาเจตนาดีนี้มาประกอบกันมันก็จะได้ผลดีๆขึ้นใช่ไหมคือหมายความไม่ได้ไว้ใจคนเดียวเพราะเราไม่ได้ยอมรับว่าคนนั้นสมบูรณ์ เจตนาอาจจะดีแต่ว่าปัญญามันไม่สมบูรณ์ว่าปัญญามันไม่สมบูรณ์ก็อาศัยช่วยกันสิใช่ไหมมาประกอบกันร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนก็ดีขึ้นไม่พลาดง่ายวิ่ในที่เป็นตัวตรงภาก็คืออริยวินัยนะครับนี่ในที่ลองนึกเยอริยวินัยก็อริยวินัยก็หมายความว่าเป็นวินัยที่เกิดจากความรู้เข้าใจตัวธรรมะจริงๆแล้วก็มีเจตนาดีเพื่อให้เป็นไปตามธรรมะ ใช่ไหมอา่าปัญญารู้ธรรมะมาจัดเจตนาก็เพื่อธรรมะอีกเป็นวัตถุประสงค์อย่างอริยวินัยนี้ก็จะไม่ขึ้นกับกาลละใช่ไหมแต่ว่าถ้าวิ น, นัยในลักษณะที่ที่สงมดุลจะขึ้นมาอย่างนั้นมันต้องไปตามอืออริยวินัยก็ขึ้ น, ข, นขึ้นหมายความมาเป็นแต่เพียงว่ามีความสามารถจากความรู้ความจริงนั้นสามารถมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์เพราะว่า สังคมสภาพแวดล้อมต้องเปลี่ยนเลยความสัมพความว่าสามารถปรับได้ให้มันสอดคล้องกับตัวความ